บทที่70ดารินวราริศเป็นคนนอนไวโดยปกติวิสัยอยู่แล้วไม่ว่าหลอนจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเพียงใดและตั้งแต่มีเพื่อนสาวต่างผิวก็มาเป็นคู่นอนเคียงข้างประจำทุกคืนไม่ว่าจะหยุดพักที่ไหนหลอนก็ยิ่งรู้สึกตัวตื่นขึ้นบ่อยครั้งเพราะมารรียฮอฟมันเป็นคนนอนรายแกวงแขนขามากระทบอยู่เสมอบางทีก็พลิกตัวกอดกายหลอนเอาดื้อ โดยไม่รู้สึกตัวตามนิสัยของคนที่เคยมีสามีการสะดุ้งรู้สึกตัวของดารินในขณะ น, นี้เป็นสัมผัสชนิดหนึ่งที่กระทบทางปลายเท้าที่สวมทอ็อปเข้าใจว่าเป็นเท้าของมาเรียที่ปลายมาถูกแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรคงหลับตานิ่งอย่างต้องการหลับต่อถ้าหากว่าสิ่งที่ป่ายกระทบปลายเท้าของหล่อนอยู่ในขณะ น, นี้เป็นเท้าของแม่มสาว ผู้นอนใกล้ชิดเท้าข้างนั้นของมาเรียก็จะต้องไม่เป็นการเวียงเปกปะโดยไม่ตั้งใจอย่างแน่นอนเพราะบัดนี้มันค่อยๆเลื่อนผ่านลำขาของหล่อนขึ้นมาอย่างแช่มช้าและมีน้ำหนักผิดปกติไปอีกประการหนึ่งเท้าคนคงจะไม่มีอะไรที่มีลักษณะคล้า ย, ายมือปลายคลำอยู่ที่บริเวณเข่า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 มันมืดเช่จนหลอนไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ทันหนักนอกจากเงาตะคุ่มรางๆซึ่งพอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมคณะที่นอนเบียดชิดเรียงรายกันอยู่และศีสษะของหลอนที่หนุนหมอนยางอัดลมก็ต่ำเกินไปกว่าที่จะมองเห็นลงไปทางด้านปลายเทา้าโดยไม่ผงกกายลุกขึ้นหญิงสาวกลั้นลมหายใจนอนตัวแข็งไปอึดใจหนึ่งด้วสังหรณ์ประหลาด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 เหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ภายใต้เบ้าตากลมทลนมีแสงวาลสะท้อนแสงไฟสว่างแดงฉานราวกระทับทิมและเขี้ยวแหลมยาวขาววัดสองคู่โผล่แซงกันอยู่ในปากที่สยายเหมือนจะยิ้มเจ้าสิ่งนั้นนั่งคล่อมอยู่ทางปลายเท้าของหล่อนเมื่ออันยาวเหยียดรุงรังไปด้วยขนเ อ, อื้อมเกาะอยู่ที่เขาภายใต้ผ้าผุยคลุม อีกข้างหนึ่งชูห้อยลอยอยู่ทำท่ามันจะยื่นมาถึงใบหน้าและเห็นกรงเล็บแหลมคมยาวงงไม่ผิดอะไรกับติงเดียวนักบัดนี้มันชะงักเพราะแสงไฟฉายอันจูโจมที่ลนสาดเข้าประทานหน้าของมันไว้ญิงสาวร้องกรี๊ดออกมาสุดเสียงอย่างลืมตัวเสียงของหลอนกล้องไปทั้งปารางทักทกลางความเงียบและลับสนิทของทุกคน พร้อมกันก็สะบัดเท้าออกไปสุดแรงเกิดเท่าที่มีอยู่รู้สึกกระทบอะไรอย่างแรงก็ลุดกระเด็นออกไปจากตัวดิ้นตื่นตามไปถูกมาเรียนและเชิดขาพู้นอนอยู่เคียงข้างทุกคนพูดแค่ตื่นขึ้นอย่างตกใจเพราะเสียงหวีดของหล่อนยังไม่ทันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ปะทะชนกันชุนลมุนหลังคาพลาสติกที่ขึงไว้คาถล่มลงมาคลุมทั้งคณะท่ามกลางความมืดมิดจับ พริบตาต่อมาก็เห็นลำไฟฉายของดารินทรงกดเอาไปทางด้านหนึ่งพร้อมกับเสียงระเบิดกึกก้อนของจุด357ในมือของหล่อนที่แพรสน้นานวันไหวสามสี 3, 4, นะัดไปติดกันหลอนวิ่งหลุดออไปจัดใต้หลังคาที่พังลงมาคลุมได้เป็นคนแรกแล้ววิ่งเหมือนจะกลัวตามอะไรออกไปยังบริเวณหน้าปางรักวองกระหนำยิงทียึด เกิดอะไรขึ้นเสียงตะโกนเอ็ดอึงถามแทรกขึ้นเป็นเสียงเดียวบุคคลแรกที่เพนเข้ามาถึงราชกสกุลสาวผู้ยืนตัวสั่นอยู่ก็คือรบพินตามติดมาด้วยบุญคำและแง่าสายหล่อนยังไม่ตอบคำถามใครทั้งสิน้นจี้ลำไฟฉายไปที่ซุ้มไม้ตอนนึงริมโขดหินเบื้องหน้าและปล่อยกระสุนปืนสั้นออกไปอย่างขวันไม่อยู่กับตัวอีกสองนัดใบไม้และสะเก็ดหินปลิวกระจายเป็นฝุ่นด้วยอานุภาพของหัวกระสุนแรงสูง ขณะนั้นเสียงใครต่อใครจะร้องถามกันแซดเช่นไรมันก็แซ่จนฟังไม่ได้สับ น, นูนมันหลบไปตรงนั้นก็พฟู่ไม้หลังก้อนหินนั่นดารินร้องเอ็ดฟังแทบไม่เป็นภาษาอย่างควบคุมสติไว้ไม่อยู่ตั้งท่าจะทลันเข้าไปตามที่ลำกล้องปืนของหล่อนชี้จ้องไปแต่ะพินคว้าแขนไว้ซะก่อนตะโกนถามหญิงสาวหน้าซีดตาลืมโพลงอยู่ตามเดิมอ้าปากแต่ไม่มีเสียงพูดใดๆออกมาได้อีก พริปตาต่อมาไฟใช้จากคนอื่นๆก็สาดสว่างจ้าออกไปทุกทิศเชษฐาเร่มาเรียวิว่งพรูเข้ามาที่นักมานุษยวิทยาสาวรับพินหันไปทางคนของเขาสั่งเร็วปรือรีบกอ่อไฟขึ้นเร็วเกิดเสรยและสั่งป่าวิ่งปลาไปจัดการกับกองไฟที่ดับชนิดทแทบจะไม่มีเชื้อเหลืออยู่เชษฐาก็พรวดเข้าถึงตัวน้องสาวขยากายโดยแรงดารินยังคงกายสั่นเทิมตาลืมกว้าง จ้องไฟยังเป้าหมายเดิมไม่เปลี่ยนในขณะที่พรานใหญ่ขยินและแงซ า, ายช่วยกันส่องไฟตรวจ ด, ดูกับพืนอยางเร่งรีบน้อยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่ชายถามซ้ำๆอยู่หลายครั้งนำเสียงและสีหน้าของเขาเต็มไปได้วยความโกรกตกใจอะไรก็ไม่รู้ครับพี่ใหญ่ตัวมันเหมือนเด็กแต่หน้าเหมือนคนแก่มันกาลังไต่จากปลายเท้าขึ้นมาเกือบถึงอกน้อยละน้อยตื่นขึ้น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 มันไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะนอกจากรอยลูกปืนของเธอชี้ยันว่าใช้เล็กที่ถูกลูกปืนเด็ดขาดหล่นอยู่แล้วพยายามก้มลงตรวจ ด, ดูกับพื้นอีกครั้งระหว่างนั้นพวกที่ได้รับคําสั่งให้ช่วยกันก่อไฟกําลังเป่าไฟในกองอยู่อย่างขางมะขื่นแข่งกับเวลาเพื่อที่จะได้เกิดเปลวขึ้นบริเวณที่นอนกระจัดกระจายยุ่งเหยิงไปหมดผ้าพลาสติกถล่มลงมาคลุมอยู่เพราะสายเชือกและเสาเล็กๆที่ปักถึงไว้นั้นหักขาดลงมา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 แต่ก็ยังไม่มีใครตอบมาแสดงว่ายังไม่ได้เคลื่อนงเงาเงยังไม่ได้เงื่อนคาวอะไรทั้งสิน้นเห็นแต่จุดของดวงไฟที่กระลาตามพื้นและพุ่มไม้อยู่ไปมามาเรียกจากกลุ่มกระโดดข้ามโพดหินก้อนนั้นไปยังบริเวณแอ่งน้ำมุกซึ่งห่างออกไปราวสิบวาจากพุ่มไม้ตําแหน่งนั้นแล้วก่อนที่ใครจะเอ่ยเช่นไรต่อไปนั่นเองแม่สาวก็ร้องเรียกทุกคนมาด้วยน้ําเสียงกระฮือกระหอบตื่นเต้น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 แอ่งน้ำแคบแบยังมีรอยกระเพื่อมอยู่ในน้อยเหมือนมีอะไรผ่านลงไปเมื่อไม่เกินนาทีที่แล้วแคบมีรอยขึ้นฝ้าตรงด้านในปา่าชายเนินเขารอยตีนปิ ด, ปดที่ในแอ่งเหยียบประทับไว้กว้างประมาณสามนิ้วยาวเกือบคืบลักษณะคล้ายรอยเท้าลิงเว้นแต่อยู่ในมุมแคบชิดกับนิ้วอื่นๆนั้นยาวมีบาอุ้งเท้าอยู่ตีนนกตีนกา รอยเหล่านั้นแสดงว่าในลักษณะของเท้าช่วงห่างกันมากคล้ายจะกระโดดไปรอยน้ำจากตัวหยดเรีเป็นทางใหม่ๆแต่ก็ไปสุดสิ้นขาดหายค้นหารอยไม่ได้เมื่อพ้นเบียบลงสู่ดินแล้วเล่นตกลงไปในแอ่งน้ำเนี่ยจากนั้นก็ขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเตลิดหายเข้าไปในผงนน่ะช่วยกันดูให้ดีิมีรอยเลือดหรือวี่แววว่าถูกลูกปืนของน้อยบ้างไหมชยันพูดโดยเร็ว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 มาเรียครางตาของมันสะท้อนแสงไฟด้วยนะแดงเป็นทัพทิมอย่างสัตว์ประเภทกินเนื้อมาออกนะแล้วทันทีนั้นกันใหญ่จะทุกสุดตัวเสียงสั่งปลาและพรานพื้นเมืองของระพินอีกสามคนซึ่งกำลังช่วยกันก่อไฟอยู่อย่างตกใจก็กือกลอกและพรานวันไหว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 กลิ่นสาบสางเหมือนศพตายซาตตลบอบอวนคลุ้งไปหมดรพินกระโดดเต็มฝีเท้านำหน้าลิ้วเข้ามาพร้อมกับยกไร่เฟืนขึ้นแต่เหตุการณ์อันชุลมุลนเนวเนียอยู่นั้นทำให้เขาไม่อาจที่จะปล่อยกระสุนออกไปได้เพราะเกรงจะพลาดไปถูกกันเฉทาและชา ย, ยันก็ไหวดีเป็นเยี่ยมในภาวะวิกฤตเช่นนี้ทั้งสองไปรพร้อมั้งโหลคริยาบุญคาและดารินก็ช่วยกันระดมยิงขึ้นเป็นเอ็ดอึง้ง ราวกับจะถล่มป่าแต่วิถีกระสุนเงยขึ้นสูงหมดได้ผลอย่างยิ่งเสียงปืนที่ประทะเป็นประทัดแตกอื้องเเหล่านั้นช่วยแก้ไขวินาคีคับขันขีดสุดของสี่พรานเอาไว้ได้อย่างบุดวิดเงาดำาๆราวกับจะเกิดขึ้นจากภาพฝันร้ายเหล่านั้นแต่กระจายกันออกไปหลายุ่ความดซินอย่างเงียบกริบ ป, ปราศจากเสียงใดๆทิ้งร่องรอยหลักลุห่หลคนซึ่งแบบนี้ ขากันก้มลงมองดูบาดแผลจากข้างจากขาแข้งอันเต็มไปได้วยรอยเล็บและเขี้ยวอันแหลมคมเลือดโสมกันไปหมดทั้งสี่คนเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ก็ขาดวิ้นเป็นริว้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกลางเกงทั้งหมดหวนกลับมาสมทบเห็นเข้ามาถึงท่ามกลางความฉุกละหุกต่างเข้ามาล้อมรีดส่งเสียงซักถามแซดไปหมดและช่วยกันตรวจดูอาการบาดแผล ระพินกับแง่สายยังไม่สนใจกับคนทั้งสี่ที่คณะนายจ้างล้อมดูอาการอยู่ต่างตรวจดูบริเวณรอบๆ อ, อย่างรวดเร็วน อ, นอกบริเวณที่ที่เห็นเงาอลีลับเหล่าผูงหายออกไปสองไฟกราดดูไปรอบๆไม่ถึงอึดใจเชษฐาก็วิ่งตามเข้ามาสมทบอีกคนไรเฟิลไรเฟิลสะ พ, พ, สพายไว้บนไหลมือซ้ายถือไฟฉายมือขวากระชากจุด4 c แมกนัมจากซองข้างเอวขึ้นมากระชับไว้มัน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 ขณะที่โผลกลับเข้ามาถึงพวกนั้นกําลังชุลมุนอยู่กับพรานทั้ง4ซึ่งบัดนี้ขึ้นอีกสกองอไปได้วยความสับสนวุ่นวายหมุดกันแซดที่นอนก็ยังยุ่งเยิงมีผ้าพลาสติกกั้นหลังคาลนลง ม, มาคลุมอยู่เช่นนั้นดารินกําลังสารวนอยู่กับการตรวจบาดแผลของพวกนั้นโดยมีมาเรียเป็นผู้ช่วยอย่างกุลีกุจอพอเห็นทั้งสมคนโผลกลับเข้ามาต่างก็ร้องถามเป็นเสียงเดียว แต่รับพินเชิดาและแง่ทรายยังไม่มีใครพูดคำใดในขณะรับบาดเจ็ที่ขาขวาเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อยมีรอยถูกคมเขี้ยวเนื้อฉีกเบอร์ออกไปเป็นแผลยาวสามนิ้วซึ่งหมอดารินกำลังคัดเลือดอยู่เป็นไงบ้างรับพินถามคนของเขาโดยเร็วอย่างวิตกเกิดเกิดเงนหน้าขึ้นแยกเขีย่ยก็อทนได้ครับนายแต่มันปวดใายๆจะมีพิษนะครับ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 รับผินว่าแล้วมองไปยังทั้งสี่คนที่นั่งรูปคลำบาดแผลอยู่เล่าไปสิมันเกิดยังขึ้นยังไงพวกผมกำลังช่วยกันก่อไฟครับจันเป็นคนเล่าหอบหอบหน้าขาวซีดพวกมันน่ะพลุกมาจากทางไหนมั่งก็ไม่รู้ล่ะพรวดเข้าถึงตัวเลยชุดทึงกระชากตามขามันมางเงียบที่สุดไม่มีเสียงเลยครับมันแตกหนีไปก็เพราะเสียงปืนที่พวกนายยิงไล่นั่นแหละ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 หลนก็แทบช็อกหมดสติลักษณะของมันกึ่งมือลิงกึ่งตีนเดี่ยวบัดนี้ขยุ่งกำไว้รอบข้อมือหลอนแล็ดูดำสนิทประกอบไปด้วยเส้นขนยาวตั้งชันขึ้นอยู่รอมแหลมเล็บทั้งห้ายาวงงแหลมเหมือนปีนปูเสฉวนมันเอื้อมออกมาใต้กองผ้าเห็นส่วนที่ยาวออกมาประมาณคืบเศษกระโดดพรวดขึ้นทั้งตัวไปยืนกายสันเทาทาอะไรไม่ถูกอยู่นอกบริเวณที่นอน แล้วก็เสียงร้องอย่างโหนกตกใจของมาเรียนนั่นเองที่ทําให้พรรคพวกทั้งหมดที่รุมล้อมอยู่รอบกายเกิดในขณะนั้นกระโจนรูเข้ามาระวังมันอยู่ใต้ผ้าคลุมนั่นมันเอื้อมมือออกมาจับข้อมือฉันนักนิรุกติศาสตร์ชีโบชีเบลงไปที่กองผ้าร้องเสียงหลงร้องไวเร็วระวังอย่าพุ่ ง, งยิงจะถูกกันเอเข้าเชิดถาตะโอนร้องละล่ำระละัก ทั้งหมดแตกกระจายกันออกอย่างรวดเร็วทันการที่สุดตามคำสั่งของหัวหนานะ้าคณะยืนเตรียมระวังสกัดเป็นวงกลมล้อมบริเวณที่นอนอันยุ่งเหยิงไปด้วยผ้าคลุมหลังคาที่หลน่นลงมากองทัพอยู่ไว้นั้นพรานใหญ่กระชากไม้ที่ปักเป็นหลักสำหรับขึงหลังคาออกมาถือกระชับไว้ในมืออย่างเตรียมพร้อมในขณะที่พวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายก็ถือมีดไม้สุดแต่ใครจะหยิบฉวยอะไรขึ้นได้จุดนั้นเมืองทั้งเกาะใจ เชิฐากับดารินถือปืนสั้นในมือคนละกระบอกส่วนมาเรียนเบิ่เมืองโงใจบกใจขวัญหนีดีฝ่อถือไม่หล่อนม่มืออ่อนไหวระเบิดทั้งสิ้ดารินขณะที่ตื่นลุกพรวดพลาดปลุกทุกคนขึ้นมาในครั้งแรกแน่ ใ, นใจหรือว่ามันยังอยู่ในผ้านั่น่านใหญ่ร้องถามมามรู้ไหมพยายามผ่านทุกคนฉายไฟจ้องนิง่งชี้ตาไม่ก็เห็นสงบนิง่ง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 อํหาตัวไปเหนือผ้าที่ปิดไว้ทวนทีหลักเก้าทีหลักเก้าระวังนะักบุญคําฟันมันนคงมากผ้ามันก็ไม่หนาอะไรนะักระพินเตือนออกไปด้วยความเป็นห่งไม่เป็นไรนายขอให้บุญคําจับได้ถนัดเถิดบุญคําตอบพร้อมกับยิงท้ายสิ่งไม่เป็นบริขรขุนนั้นจัดที่ห้ตารางเมตรเท่านั้นปด สัมภาระไว้ทันทีนั้นพรานใหญ่และเชษฐาตะโกนบอกข้ามกลางความตื่นเต้นของทุกคนตัดเขม็งเกลียวตึงเครียดบุญคำออกแรงเต็มที่กระโดดขึ้นครอ่อมห่มบริเวณนั้นไว้ทั้งตัวมือทั้งสองก็ขยุ้มแน่นไม่ยอมปล่อยอยู่แน่นแน่เลยบุญคำกดหัวมันต็นกระดินให้ตายเถะนายมันไม่ดิ้นสักนิดเดียวแดร้องเร็วปลือยกมาเล็ทาขึ้นเร็ว ระพินร้องสั่งทุกคนที่กดชายผ้าอยู่ทั้งหมดช่วยกันสลัดเลิกผ้าออกรอบด้านจนถึงตำแหน่งที่บุญคำจับกดอยู่นั้นแล้วไฟฉายหลายดวงก็สาจ้ามารวมจุดถ่ามกลางสายตาอันกระหายอยากที่จะเห็นของทุกคนซึ่งมองมา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 ลำตัวและแขนขาส่วนล่างของมันนะยังเป็นอิสระแต่ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวดิ้นรนใดๆทั้งสินคล้ายๆกับมันตายแล้วอย่างนั้นแหละชัยยันอุทานลั่นโน no, อย่าเพิ่งไว้ใจจับไว้มั่นทีเดียวนะบุญคำอย่าเพิ่งปล่อยฉันสาบานได้นะว่ามาัตติกี้นะ่ะมันเอื้อมมือมาจับข้อมือฉันมันต้องยังไม่ตายยางเด็ดขาดมาเรียทวงเอ็ดมาซุ่มเสียงสัน่นแต่มันไม่กระดิก ไม่ดิ้นหรือสู้เลยสักนิดนะตาเท่ารองมือยังจับไว้แน่นอยู่เช่นนั้นรับพินกระชากสายเชือกไนล่อนเส้นขนาดนิ้วมือที่ใช้ขึงผ้ากั้นหลังคาออกมาทําเป็นบ่วงอย่างรวดเร็วเลี้ยงก้าวเข้าไปเหยียบท่อนขาอันนอนเหยียดยาวทั้งสองของมันไว้กันดิ้นก้มลงใช้บ่วงนั้นมัดขาทั้งสองติดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาโยนปลายเชือกไปให้จันผ่านพื้นเมืองของเขานําปลายเชือกไปผูกล่ามติดกับต้นมะปริงปลาขนาดเท่าโคนขา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 เมื่อมองเห็นร่างนั้นอย่างถนัดชัดเจนตลอดทั้งตัวใบหน้ารูปวงกลมนั้นใหญ่ขนาดหน้าเด็กแปดขวบแต่มันมีลักษณะเหมือนใบหน้าของสัตว์ประหลาดในนรกภูมิซึ่งไม่อาจพันนาเปรียบเทียบกับอะไรได้ใกล้เคียงหิยวยน่นมีสีคล้ำประหนึ่งเปลือกไม้จมูกแบนแฟบเห็นแต่รูกลวงลงไปกลางใบหน้าสองรูปราศจากริมฝีปาก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 ผมยาวเป็นกระเซิงรุงรังปลกต้นคอด้านหลังและแพยออกไปรอบๆบใบหน้าเหมือนลูกตาลยีช่วงขายาวเรียวช่วงแขนสั้นท้องป่องพลุยกลิ่นสาบสางจากตัวมันโชยตลบมากระทบจมูกของทุกคนคล้ายๆกลิ่นศพตายสะเจ้าตัวลึกลับแห่งใครมหัศจรรย์นอนในท่าตะแคงแน่นิ่งตามลักษณะที่บุญคาจับกดไว้แต่แรกนั้นอึดใจใหญ่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 เหลือมันอยู่ตัวเดียวที่ไปไม่ไหวเพราะอาการอันสาหัสคุณพระช่วยด้วยเืดนี่มันสัตว์ในอบายภูมิแทๆ้ๆชายันครางออกมาอย่างสยองใจระคนสังเวชห ล, ลักตาลงคนอื่นๆก็อึ้งตะลึงงินไปในลักษณะเดียวกันจากภาพของร่างกายและใบหน้าที่เห็นมารียกมือขึ้นทําอาเมนตามนิสัยอันเคยชินเริมฝีปากหมุบมิบ พึรรมพำอะไรแทรกอยู่ในลาคอถ้าทางมันจะจจ็บมากนะไม่คิดหนีหรือคิดที่จะสู้เลยเชิดถากระซิบกับพลานใหญ่ซึ่งรีตาจ้องอยู่ครั้นแล้วปัจจุบันทันด่วนนั่นเองเขาก็รู้สึกมึนงงพร่าพรายไปหมดใจหวิววิวคล้ายจะเป็นลมจากการจ้องประสานตากับมันความรู้สึกบอกตอนเองในทันทีนั้นว่า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 พรานใหญ่ร้องเตือนมาเร็วปรือทั้งนั้นก็ข้ามซะเลยสินายเอาไว้ทำไมมันเป็นไอ้พวกผูดผีปีศาจบุญคำร้องควงดาบอยู่ในมือแล้วเดินปรีเข้าไปแต่เช็ดถากระชากไกลซะก่อนอย่าบุญคาอย่าทาอะไรมันเป็นอันขาดเราต้องการตัวมันเป็นเป็นป่าพรานเท่าชะงักถอยห่างออกมาตามเดิม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 จะพูดใครคงสงบนิ่งเป็นดึกสดีอยู่เช่นนั้นเหมือนภาพปัน้นชยันก้าวสวบเข้าขนาดเชษฐาอีกคนหนึ่งด้วยดีสิผู้กองพอจะจัดมันเข้าอยู่ในสัตว์โลกประเภทไหนได้บ้างผมเองก็จนปัญญาเหมือนกันครับคุณชยันดูดูมันก็คล้ายลิงลมจากรูปใบหน้าและลักษณะที่ออกหากินกลางคืนแต่คุณ ล, ลักษณะอีกหลายต่อหลายอย่างมันก็ผิดแผกไปจากลิงลมมากแต่มันอยู่หมัดเราแล้วล่ะครับ ไปไหนไม่รอดแน่เราจะได้ศึกษามันให้ละเอียดออกไปทีเดียวเขาก้มลงที่หีบเขาก้มลงหยิบหีบเครื่องเวชภัณฑ์นำเดินมาส่งให้ดารินบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจกับมันในขณะนี้เลยครับคุณหญิงการุณาช่วยจัดการกระแผลของเกิดก่อนเถอะทุกคนเพิ่ง น, นึกมาได้เชษฐาสั่งให้งแง่ทรายและพวกพลานพื้นเมืองเฝ้าไอกกองกอยที่บาดเจ็บและถูกพันธนาการไว้นั้นก่อน เพียงอึดใจใหญ่หลังจากนั้นดารินก็จัดการเย็บแผลและฉีดยาการบาดทะยักให้เกิดเสร็จเรียบร้อยทุกคนจึงกลับเข้ามารายล้อมพิจารณาดูเจ้าสัตว์ประหลาดอีกครั้งมันซ่อนอยู่ใต้ผ้าผืนนั้นแล้วมันเอื้อมมือออกมาจับข้อมือเมทำไงสมมุติว่ามันจะทำร้ายมันก็ควรจะกัดเลยหรือมิฉนั้นมันก็ควรจะหลบตัวซ่อนอยู่เฉยๆเพราะตอนนั้นนะพวกเรายังไม่รู้นี่ชยันตั้งข้อสงสัยขึ้น ทุกคนนิ่งอึ้งไปกับข้อชวนคิดของอดีตนายทหารปืนใหญ่นั่นสิแปลกมากเชษถาว่ามันก็หลอกนายแม่มตามสันดานผีของมันละนายเสยว่าแต่คณะเดินทางชาวพระนครไม่มีใครสนใจกับคำของพรานพื้นเมืองเ อ, อแล้วดูสิทำไมมันถึงนั่งนิ่งเฉยอย่างนั้นไม่มีการดิ้นทุรนทุรายเหมือนสัตว์อื่นเลยถึงแม้จะมัดขามันไว้แต่ส่วนอื่นของมันก็ยังเป็นอิสระอยู่นี่ ดารินพูดขึ้นบ้างอย่างประหลาดใจรู้ว่ามันเจ็บมากใชจนกระดิกตัวไม่ได้แต่ก็ทําไมถึงไม่มีเสียงร้องละ่ะหรือว่ามันน่าจะแสดงอาการอะไรหเห็นบ้างสิแต่พผ่าสินี่ถ้ามันเข้าถึงตัวนี่ถา้าเราเข้าถึงตัวมันใกล้ๆมันจะกระโจนเข้าใส่ไหมเนี่ยชา ย, ยันเอ่ยขึ้นอีกคนท่าขงกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยปริศนาระพินใช้ไม้สําหรับปักหลักขึงหลังคายาวประมาณสองวา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 นักมนุษย์วิทยาสาวร้องลั่นขึ้นอย่างตื่นเต้นพิศวงใจขีดสุดและทุกคนก็มีความรู้สึกตรงกันเช่นนั้นใชายันทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยการยกไรเฟิลขึ้นประทับจ้องเหมือนจะเล็งร่างมันเป็นเป้าทั้งหมดตลึงไปอีกครั้งเมื่อเห็นสัตว์พิสดานยกมือขึ้นโบกปัดอยู่ไปมาเหมือนอาการของคนที่ขอชีวิตเอแปลกที่สุดระพิน มันน่าจะรู้ภาษาและมีความรู้สึกใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างที่สุดนะเชษถาระเบิดความงงงนันพิสวงใจออกมาหันไปจ้องหน้าพรานใหญ่ด้วยอาการตึงเต้นเหลือที่จะกรทาทันใดนั้นเองร่างระงานของเงซ า, ายก็ก้าวล้ำหน้าทุกคนเข้าไปยืนจ้องประสานตากับมันสงบนิ่งไม่ตึงกายไปชั่วขณะประหนึ่งว่าจะกลายเป็นหินไปฉะนั้นเงซา ย, ายเป็นอะไรไป ดารินร้องขึ้นอย่างตกใจมองดูคนใช้ชาวดงคนงหนึ่งก็หันมาเห็นอาการอันผิดปกตินั้นอย่าอย่าทําเราแต่จงช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงพึมพำแผ่วเบาที่สุดลอดออกมาจากริมฝีปากของแง่ทายขาดเป็นห่วงทีละคำเหมือนคนละมือ หรือมิฉะนั้นก็ต้องอยู่ในห่วงสะกดจิตดวงตาเบิกโพรงเลื่อนลอยจ้องประสานค้างกับตาของสัตว์ประหลาดเช่นนั้นท่ามกลางความตะลึงของทุกคนพรานใหญ่ตบช า, าติทิกลางหลังของแง่ทรายพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อเต็มเสียงจอมพระเนจรสะดุ้งพรวดเซไปสองสามเก้าแล้วทรงตัวยืนตรงสะบัดหน้าแรงๆเหมือนคนเพิ่งจะมีสติหันไปมองหน้าทุกคนที่พากันจ้องมาที่เป็นตาเดียวอย่างตื่นตื่น อะไรกันได้เป็นอะไรไงซรายราพินถามปาบเข้ามาเขย่าไหล่ผู้กองคนใช้ชาวดงเอ่ยขึ้นแผวต่ำสีหน้าชากเพด้วยความพิสวงแผงอกกว้างใหญ่ขยายขึ้นลงเป็นจังหวะด้วยลมหายใจหนักแรงผู้กองจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามผมกล้าสาบานได้นะครับว่าดวงตาของมันคู่นั้น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 เพืเฉิดท่าคว้าแขนของเขาไว้สะก่อนจ้องดูแง่ทรายที่จ้องดูผีกองกอยที่ยังนั่งนิ่งอยู่แล้วกระสิบกับพรานใหญ่ถ้าทางมันพิกลอยู่นะระพินนี่คุณชายเชื่อตามที่แง่ทรายบอกหรือครับเชื่อหรอครับว่าคําพูดที่แง่ทรายเอ่อยออกมาด้วยอาการท่าทีของคนละเมอเมื่อตะกี้จะเป็นข้อความที่เจ้าสัตว์ประหลาดนี่ต้องการส่งภาษามาถึงพวกเรา แล้วเขาก็หันขวับไปทางคนใช้ชาวดงนี่แง่ทายฉันไม่เข้าใจนะนี่กเจตนาจะเล่นกลอะไรให้เราดูเพื่อประสงค์อะไรผมไม่ได้เล่นกลครับผู้กองไม่มีอุบายอะไรทั้งสิ้นผมสัมผัสเช่นไรก็ปล่อยให้มันปรากฏออกมาเช่นนั้นผมเองก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าทำไมเมื่อผมจ้องตามันผมจึงรับภาษาของมันได้แง่ทายตอบอย่างสงบ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 ใบหน้าของหล่อนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นงงงันเช่นกันมันมีหลักทางจิตศาสตร์อยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันนะในการที่ดวงจิตหนึ่งอาจติดต่อส่งข่าวไปยังอีกดวงจิตหนึ่งที่คอยเตรียมรับได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาที่เกิดจากเสียงพูดมันเป็นการส่งข่าวกันทางโทรจิตหรือเทลารพาตีที่นีมน่มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เช่นไรนั้นมันย่อมขึ้นอยู่กับกร ะ, กระแสดวงจิตแต่ละดวงอันไม่เหมือนกัน การส่งข่าวแบบเทเลพาตี้ชนิดนี้ก็คือฝ่ายหนึ่งคิดและกระแสความคิดนั้นก็กระจายเป็นคลื่นออกไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ส่งกระแสคลื่นสมองออกรับไว้ได้แบบเดียวกับเครื่องรับและเครื่องส่งวิทยุนั่นเองโดยจะต้องมีอะไรเป็นสื่อสำหรับการรับส่งในกรณีนี้ถ้าสิ่งที่แงซ า, ายบอกเป็นความจริงก็แปลว่าดวงตาของมันที่จ้องประสานกับตาของแง่ไซนั่นเองที่เป็นสื่อในการติดต่อบอกความทางจิต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 แล้วก็รับคำพูดของมันถ่ายทอดออกมาให้เราฟังอีกถ้าแกทำได้เหมือนอย่างที่บอกแงาสายหลับตาสะบัดหน้าอีกครั้งแล้วลืมขึ้นหันไปจ้องประสานกับตาคู่มีประกายแวววามประหลาดของเจ้าผีกองกอ่อยอึดใจใหญ่ต่อมาริมฝีปากเผยเฉขมุบขมิบเป็นประโยคคำพูดออกมาเป็นคำคำอย่างลึกลับช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยด้วยประโยคนั้นดังมาซ้ำๆขาดเป็นห่วทุกคนขนลุกชันขึ้นทั้งตัวด้วยความรู้สึกอันประหลาดประหลาดราวกับจะนัดกันไว้จากถ้อยคำที่ผ่านริมฝีปากแง่ทรายซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางออกมาจะให้เราช่วยอะไรเชิดากล่าวขึ้นดังๆกรอกเข้ากระทบหูของแง่ทรายทมกลางความเงียบแทบไม่หายใจของทุกคน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 ชายันร้องถามขึ้นบ้างเราไม่ใช่สัตว์แต่เราก็ไม่ใช่คนเสียงที่ผ่านเงาายตอบมาเป็นห้วงหวงหวังเวก็แล้วเป็นอะไรล่ะเชิาถามยำ้ำครั้งนี้ไม่มีคำตอบร่างของเงาายยืนแข็งทื่อเหมือนกลายเป็นหินลมหายใจแผวจางที่สุดแบบหลับลึก มาเรียสกิจดารินพลางกระซิบแปลกมากนน้อยคล้ายๆกันเล่นผีด้วยแก้วนั่นแหละบางทีมันก็ตอบรับบางทีมันก็ไม่ตอบลองพยายามริชวนผู้ต่อไปสิครพี่ใหญ่ดารินกระซิบกับพี่ชายเราไม่ต้องการจะทำอันตรายอะไรเจ้าหรอกนะแต่เราอยากจะรู้ว่าเจ้าเป็นสัตว์อะไรแล้วทำไมถึงลอบเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายต่อพวกเราหัวหน้าคณะกล่าวช้าช้าชัดเจน ใจผิดเราไม่ได้ประสงค์ร้ายต่อพวกท่านก็ทำไมประสงค์ร้ายแล้วลอบเข้ามาถึงตัวพวกเราทาไมและไม่เห็นหรอือพวกเราบางคนได้รับบาดเจ็บจากการรุมกัดของพวกเจ้าคำตอบที่อาศัยผ่านจากแง่สายแผ่วเบาแช่มช้าจนทุกคนต้องเคลื่อนเข้าไปรุมล้อมเงียหูจับโดยใกล้จึงได้ยิน เราไม่ได้มาร้ายเราต้องการมาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกท่านแต่พวกท่านไม่เข้าใจและเราก็ไม่มีทางจะติดต่อ ทํำความเข้าใจใดๆกับพวกท่านได้รับจึงสร้างเหตุก่อขุนให้พวกท่านอันมาสนใจมันจะเป็นวิธีเดียวที่ทําให้เราอาจสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ ว้ปริศนาลึกลับใช่แล้วชายันร้องอุทานออกมาทาั้งคณะหันมาจ้องหน้ากันเองนิ่งไปด้วยความงุนงงอีกครั้งพรานใหญ่จ้องมองดูแง่ายอย่างคลางแคลงเหมือนจะค้นหาอะไรที่ซ่อนเลนออกมาให้ได้แต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเขบค้นพบวี่แววพิรุธใดๆอย่างที่ระแวงไว้บรรยากาศมันเต็มไปด้วยปริศนาอันขบไม่แตก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 ทรมานในภาวะที่พวกเราเป็นอยู่จงเอ็นแก่สวรรค์กุศลกรรมที่ท่านจะเกืดอหนุนแก่พวกเราครั้งนี้จะช่วยให้ท่านเดิน ทางฝ้าอันตรายไปได้ด้วยความจำริทิพนเอ้แยแงใส่ดูถ้าจะเพอเอ้อเจอเลอะเทอไปใหญ่แล้วล่ะครับเขาหันมากระซิบข้างหูนายจ้าเช่ดถาแตะริมที่ฝีแตะที่ริมฝีปากเฉยไว้ระพินปล่อยมันอย่าเพิ่งกระโตกกระตาก ดูที่ว่ามันจะพูดอะไรต่อไปอีกมันแปลกอยู่นะแล้วหัวหน้าคณะก็ร้องถามไปยังแง่ทรายซึ่งยืนเหมือนถูกสะกดอยู่นั้นเราไม่เข้าใจความหมายที่เจ้าพูดมานะอธิบายให้เราเข้าใจสิว่าการที่จะปลดปล่อยเจ้าให้พ้นจากบ่วงกรรมนะ่ะคือยังไงท่านจงไปทางตะวัน ของเขาลูกนี้สองคืนสองวันท่านจะได้พบกับนครแห่งความหลับซอนเร้นอยู่กลางปะใหญ่ที่นั่นท่านจะได้พบกับขคาะเฉลยของปริศนาทางปวงที่ ผดเชิญอยู่ขณะนี้ได้หากพวกท่านทั้งหมดไม่ถึงการวินาศไปจะ ก, ก่อนโดยมีความกล้าหาญสติสัมปชัญญะพิจารณญญาอันรอบครอบอย่าที่เคยมีและ กอบกับอุศนแต่อดหลังติ่พวกท่านจะเกื้อหนุนเจือจุนพวกเราได้วิญญาณและสังขารอันทุกเวทนาของพวกเราทั้งหลายก็จะได้รับการปลดปล่อย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 ขนลุกเกลียวอยู่ตลอดเวลาเราอยากจะช่วยเหลือพวกเจ้าตามที่บอกมานะี่อยู่หรอกอยากจะช่วยทั้งๆที่มันเป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ชนิดที่เราก็ยังไม่อาจเข้าใจอะไรได้แต่เรามีภารกิจที่จะต้องมุ่งหน้าไปโดยรีบด่วนแล้วก็เสียเวลาไม่ได้ทิศทางที่เราจะไปนะ่ะมันมุ่งขึ้นเหนือแต่นี้เจ้าจะให้เรา่ายลงตะวันตกเราเกรงว่าจะไม่มีเวลาให้เจ้าได้ล ถึงยังไงพวกท่านก็ต้องไปไปสู่ความผิดนาศแห่งอาถันของนักครแห่งความหลับหรือมิจฉะ น, นก็ไปเพื่อแก่บ่วงพันตกรรมให้กับพวกเรา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 มันจริงด้วยนะแปลกเหลือเกินแล้วทำไมมันถึงไม่เสียไม่มีเลือดดารินร้องขึ้นลัดังดังเลือดเหรอเสียงตอบแผ่วเบาอาการเดิมดังมาจากริมฝีปากของแง่สายอีกครั้งพวกเราไม่มีเลือดรอกเรามีแต่ยางหล่อเลี้ยง ที่จะประสานบาดแผลไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้พวกเราตายตามความหมายที่พวกท่านเข้าใจได้ทั้งสิ้นยกเว้นสิ่งเดียวเท่านั้นคือบนกุศลบา เวทุกทรมานที่พวกเราได้รับก็คือความไม่รู้จักตายนี่แหละถ้าเราตายได้เมือ่อใดรับก็ผลกรรมมือนั้นที่เรารอขอให้ท่านช่วยรอ ขอไม่ให้ท่านข้าเราั้นไม่ได้อยู่ในความหมายที่ท่านเข้าใจเราขอให้ท่านช่วยให้เรารอดพ้นจากบุงกรรมไม่ใช่ขอให้ท่านช่วยในบาท แผลเจ็บปุ่นที่เราร้องขอให้ท่านช่วยร้องขอไม่ให้ท่านฆ่า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 ขอให้ท่านอย่าฆ่าเราก็คือขออย่าให้ท่านได้ปล่อยปละเราตก อ, อยู่ในบ่วงทุกข์ทรมานเช่นนี้เราบอกแล้วว่าเราไม่ใจสัตว์และเราก็ไม่ใจคน ทั้งไอชัธรรมชาติด้วยสังขารร่างกายอันนาเวตนาของเราถูกบันดาลขึ้นด้วยกิตยาบนอันหลีลับวิญญาณของเราถูกจองจำกักขัง แล้ววนเวียนไม่รู้ผุดรู้เกิดถูกกำหนดให้สิงจูตอรรมานอยู่ในรากชนิดนี้จนกว่าปิตยามนนั้นจะถูกทําลายล้างไป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 นี่ไปว่าคุณชายยอมรับ อ, อตามคาพูดที่ออกจากปากของแง่ทายแล้วหรือครับพิสูจน์กันดูตามพิธีต่างๆอย่างผมไหมอ่าแล้วคุณจะทําทไงจอมพรานหัวเราะหือๆว่าจับมันตลกหนังหรือไม่ก็ย่างไฟทีครับแล้วก็ดูสิว่าเนื้อหนังบางสาของมันที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณนะดารินค้านมาโดยเร็วหางเสียงสัน่นอย่านะอย่าทําอย่างนั้นเป็นดังขาด คุณจะโหดร้ายอมหิบไปถึงไหนอย่างน้อยที่สุดเราก็จับตัวมันไว้ได้โดยมันไม่ได้สําแดงฤทธิเดชหรือมีท่าทางที่จะเป็นอันตรายต่อเราเลยคุณไม่เชื่อถือศรัทธาในแงาา่ทรายพวกเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ก็มองไม่เห็นเหตุผลนี่วะ่ะทําไมถึงจะต้องทําอย่างที่คุณว่าเรามีโอกาสที่จะศึกษาค้นคว้าได้โดยวิธีที่ดีกว่านั้นนะแต่ฉันเห็นด้วยกับพระพินนะถ้ายังไรเราก็จะได้ลองผีกองกอยกันดูสักมือ้อ ชั ย, ยันสอดมาปนหัวเราะฮือฮือบ<ะ>้าอย่าทำหามหามรนเลยคนนนชั ย, ยันแพทย์หิงนักมนุษย์วิทยาสาวหันไปตวัดเบาๆและร้องสั่งพวกพรานพื้นเมืองเป็นงานเป็นการนี่บุญคำเชื่อกันจับมันมันมดให้แน่นหนาที่สุดนะอย่าให้มันกระดุกกระดิกได้ฉันจะลองตรวจร่างกายมันดู บุนคำคว้าเชือกขึ้นมาเส้นหนึ่งเดินย่องเข้าไปทางด้านหลังของสัตว์ประหลาดแล้วคล้องฉับเขาที่คอกระชากรั้งขึงติดกระกองสัมภาระที่มันนั่งพิงอยู่คนอื่นๆก็ตรูกันเข้ามาช่วยกันพันธนาการมัดมือมันไว้สอดไม้คานเข้าไปในระหว่างที่แขนขาถูกมัดอยู่ยกหามลอยขึ้นจากพื้นเจ้าผีกองกอยคงอยู่ในอาการสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวดิ้นรนต่อต้านใดๆทั้งสิ้นสุดแต่ว่ามนุษย์จะจับมันมัดยังไง ดารินสั่งให้ปูผพ้า พ, พลาสติกลงริมกองไฟกองใหญ่กลางแคมป์วางร่างของมันลงเหนือผ้าพปูนั้นเบอรตะเกียงแบตเตอรี่แล้วก็ให้ตั้งไฟฉายรอบด้านเพื่อช่วยในความสว่างเพิ่มขึ้นเท่าที่จะทำได้พลางงัดเอาเครื่องมือแพทย์ของหล่อนขึ้นมาระหว่างที่ทุกคนกําลังเคลื่อนไหวเข้ามามุงรายรอบล้อมรอบด้านสัตใหญ่เงาทายยังคงยืนอยู่ในลักษณะมือลอยอยู่ที่เดิมโดยไม่ขยับขยื่น รัพินทรกเชษฐาหันไปเห็นเข่าก็หยุดยืนดูอยู่ตรงหน้าพ่านใหญ่ใช้ฝ่ามือบกปัดไปมาใกล้ๆกระดวงตาที่เปิดทางนั้นแต่ก็ไม่เห็นกับพริบจึงจุดไลเตอร์ขึ้นสองจากเปลวไฟเล็กๆของที่จุดบุรีทำให้เห็นดวงตาคู่นั้นเลื่อนลอยปราศจากความรู้สึกเหมือนลูกแก้วมายาวินมาหาคัมภีอุ บ, บาต พันธุทุมวดีนางพญาแห่งนครหลับมันไรบุโรหิตพ่อมุดายเสียงพึมพำผ่านออกมาจากริมฝีปากที่พยยอน้อยๆคู่นั้นพรานใหญ่หันไปมองหน้านายจ้างของเขาเชิทาขโมดคิ้วและตบไหล่คนใช้ชาวดงโดยแรงพร้อมก็เรียกชื่อ แม่าสายสะดุ้งเฮือขึ้นอีกครั้งเหมือนคนตื่นจากผวังเอาละหยุดการเล่นละครฉากพิศดารของแกลงแค่นี้แล้วกันรพินพูดเรียบเรียบแม่าสายเหลียวไปดูรอบๆกายและมาจับนิ่งอยู่ที่ตาของเชษฐากับพรานใหญ่ที่มองดูอยู่ก่อนแล้วหวัวหน้าคณะยิ้มให้เล็กน้อยรู้สึกเป็นไงบ้างแม่าสายน้ำเสียงของเชษฐาก่อไปด้วยความปราณีผม รู้สึกคล้ายกับว่าได้หลับแลวฝันไปนายใหญ่ครับผมมองไปเห็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันมันประหลาดี๋งเกินครับจะเห็นอะไรแงส า, ายหน้าผื่ดลงจ้องมองไปยังราวป่าอันมืดมิดเบื้องหน้าอย่างปราศจักจุดหมายพึงทํากระซิบกระซาบเหมือนจะกล่าวกับตนเองผมเห็นปราสาทโบราณหลังหนึ่ง สร้างด้วยสิลาแรงใจกลางคูหาห้องใหญ่อันปรักหัดพังเป็นแท่นหินอ่อนสีดำสนิทเหนือแท่นหินนั้นหีบศพใบหนึ่งประดิษฐานอยู่เป็นหีบที่ทำด้วยแก้วผลึกปโปรง่งใสร่างของสตรีนานหนึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ในหีบนั้นประหนึ่งจะจมอยู่ในห้วงนิทราชั่วนิรันรถูกลนางควรอยู่ในความหลับ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 สีแดงของเลือดสดครับจอมพรานขยับปากแต่แล้วก็ต้องชะงักลงพระเชษฐากดแนขนเขาไว้เป็นสัญญาณเตือนให้สงบอะไรเห็นยังไงต่อไปอีกเงาทรายไหนบอกมาสิใต้แท่นหินที่นางนอนเป็นโพรงคูงหาครับคัมพีเล่มนึงทำด้วยหนังของมนุษย์มีกริตอีกเล่มหนึ่งปักทะลุคัมพีติดอยู่กับพื้น มีอักขระจารึกไว้ตามพื้นและโพรงผนังภายในใต้ทุกด้านอ่ะไล้ยังไงอีกละ่ะผมเห็นเพียงแค่นี้เองครับนายใหญ่มันอยู่ที่ไหนละ่ะปราศาทตหลังนั้นผู้หญิงในโรงแก้วคนนั้นและกริชที่ปักคำพีเล่มนั้นแง่ไซ ส, สันศีสษะแช่มชายกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าผมบอกไม่ถูกครับว่ามันอยู่ที่ไหน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 ที่แกจะกลายเป็นคนละเมอเพลอพกเหล้วไหลไปได้เช่นนี้จอมพเนจรสบตาพรานใหญ่แล้วหลบลงก้มหน้าผู้กองครับผมเสียใจนะครับถ้าหากผมจะทําอะไรให้ผู้กองผิดหวังถูกแล้วครับผมเหลี้วไหลไปมากแต่มันเกิดขึ้นกับผมได้ยังไงนี่ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันครับแล้วเมื่อกี้นี่แล้วูดโต้อตอบกับพวกเราแทนไอ้แก่เจ้าสัตว์ประหลาดนั่นจะรู้สึกตัวหรือเปล่า ว่าได้พูดอะไรออกมาบ้างไม่รู้สุกตัวเลยครับผู้กองไม่รู้ว่าผมพูดอะไรออกไปบ้างตามที่ผู้กองว่าเพียงแต่ผมเข้าใจเจตานาและภาษาของมันที่ส่งมาถึงผมทางกระแสจิตแต่ถ้าจะให้บอกว่าผมเข้าใจยังไงอ่ะผู้กองอาจเห็นเป็นเรื่องเ ห, หลวไหลไปอีกซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประสาทของผมได้วิปริตผันผวนไปหรือเปล่า ไหนลองบอกมาสิว่าแกเข้าใจมันยังไงมันต้องการให้พวกเราช่วยเหลือมันครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้แต่จะให้ช่วยเหลื อ, อยังไงยังใดนะผมไม่ทราบครับรบพินศบสายตาเชิดทาแวบหนึ่งหัวหน้าคณะก็ถามว่าและเมื่อครู่นี้แกรู้สึกตัวหรือเปล่าว่าแกเอ่ยอะไรออกมามั่งผมเอ่ยอะไรเหรอครับในายใหญ่แกก็พูดถึงอะไรเป็นคาลอยๆที่เราฟังไม่เข้าใจ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 หรือการทำงานของอวัยวะภายในของมันเลยนะสิไม่แม้กระทั่งชีพจรไม่มีการสูบฉีดของเลือดหรืออะไรทั้งสิ้นท่ามกลางการยืนนิ่งตัดสินใจอย่างใดไม่ถูกของทุกคนหมอดารินฉีกสำเรลียกมาชิ้นนึงเล็ ก, ลกๆใช้ไม้ขีบแทนตะเกียบแล้วยื่นไปจ่อตรงช่องจมูกอันเป็นโพรงโหว่สองรูอยู่ใต้ตาของมันสัเลีชิ้นนั้นไม่ได้กระดิกไหวให้เห็นแม้แต่นิดเดียว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 ดูนั่นสิมันยังไหวตัวได้นี่พวกพรานพื้นเมืองโวยวายอ็ดไปหมดเมื่อกี้มันอาจสลบไปก็ได้นะน้อยไหนลองตรวจดูใหม่ทีสิพี่ชายหันไปพูดกับน้องสาวโดยเร็วดารินกัดติมฝีปากแน่นบังคับใจให้กล้าค่อยๆสุดตัวลงนั่งใช้เครื่องฟังหัวใจจับที่บริเวณซวงอกของมันอีกแล้วสีหน้าของหล่อนก็แสดงความยุ่งยากสับสนไปหมด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 คุณหญิงคอยตรวจให้ดีนะผมจะพาทองมาเองดารินทระร้องลั่นมาคำหนึ่งผลัก อ, อกค่อยถอยห่างออกไปนี่ฉันจะไม่ยอมให้คุณหรือใครทำอันตรายมันเป็นอันขาดนะถอยออกไปคนใจร้ายแล้วหลนก็หันมาทางเพื่อนสาวต่างผิวฉันจะลองเย็บแผลให้มันนะช่วยกันหน่อยนะเมยเจ้าสัตว์พิสดาลชนิดนี้กำลังจะทำให้ทฤษฎีกฎเกณฑ์ของชีววิทยาผันแปรไปหมดแล้ว มันจะให้ประโยชน์กับวิชาแพทยศาสตร์อย่างที่สุดโค่ในหญิงพวกผีพวกพูดมันให้ประโยชน์อะไรในทางวิชาแพทย์ของนายหญิงไม่ได้รอกเสียงบุญคำบน่นพึมพำมาเบาๆแต่หล่อนไม่สนใจมาเรียทำหน้าที่เป็นลูกมื อ, อย่างกุลีกุจอดาริจับดารินจับไส้ของมันยัดเข้าไปทางบาดแผลซึ่งเป็นทางเบอร์ยาวประมาณสี่นิ้วบริเวณท้องด้านหลักด้านข้า และจัดการเย็บบาดแผลอย่างประหนีตระมัดระวังตลอดเวลาก็สังเกตดุลการของมันไว้ทุกขณะเจ้าสัตว์ประหลาดคงนอนนิ่งอยู่เช่นนั้นไม่แสดงอาการรู้สึกใดๆทั้งสิ้นในขณะที่เข็มของหลอนแทงเนื้อเข้าไปไม่กี่นาทีหลอนก็เย็บแผลมันปิดสนิทเรียบร้อยลุกขึ้นถอยห่างออกมาเปิดจุกบรันดีออกดื่มดับความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายได้ถูก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 พวกพรานพื้นเมืองพังหนะหลังถอยหือออกมาอย่างขวัญเสียในอาการอันผิดวิกล น, นั้นส่วนขยินร้องว้กกลั่นออกมาไม่เป็นภาษาค้นหัวตั้งชันตาเหลือกหันหลังได้ก็เพ่นยังไม่คิดชีวิตแต่ชายันผู้ยืนอยู่ใกล้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่สุดแต่ตัดข้อเท้าของอดีตนักเลงโตลมช้างสกัดให้มันล้มกลิ้งก่อนที่จะเลิดเข้าปาไปอย่างหมดสติและตะครุบคอของขยินไว ไอ้ผีป่ามันหลอกเรานะนายพวกพรานพื้นเมืองตะโกนเอ็ดอื่นระสำระสายโอลหม่านกันไปทั่วสามปาก็อีกคนนึงที่ขยัดจะเล่นยังไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นเคราะดีที่มาเรียสบัดหลังมือโครมเขาให้ทิก้านคอเซทลาลงจำเบาเป็นการปลุกสติดารินหัวใจเกือบหยุดเต้นแทบเป็นลมลม้มลงหมดสติในบัดนั้นเหมือนกันโผก็ไปกอดพี่ชายไว้แน่นกายสั่นเทา ใบหน้าอันแสงจะน่าเกลียดหน้ากลัวนั้นและดูเหมือนเสียะหลอกหลอนลากขดไส้ของตัวเองออกมาจากรอยฉีกเสียงดังปืดปืดเป็นจังหวะอย่างเชืม่มช้าจนกระทั่งออกมากองโตอยู่ข้างหน้าบุญคำสบทพ ร, รุฤตสวาดลั่นออกมาแล่นเข้าหามีดหมอของแกแล้วโจรเข้ามายังโกรธแค้นแต่พรานใหญ่ปาดแขนสกัดไว้ยาบุญคำปล่อยมัน ดูมันให้ถึงที่สุดซิว่ามันจะทําอะไรได้อีกบ้างนายเอาว่าไม่ได้นะมันหลอกหลอนแสดงฤทธิ์กับเราบุญคำจับการกับมันเองไอ้อย่างนี้ต้องล่อดมีดหมอตาพรานเท่าเต้นอยู่เราเราออกท่าหนุมานเหมือนปลุกพระสั่นเทิมไปทั้งกายขยับจะเข้าไปกระนําฟันให้ได้ตะพินกระชากแขนปลิวออกไปทางนึงชายยันก็เลยล็อกแกไว้กระสิบเฉยว่าบุญคำ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 อย่าพูดไครมีสีหน้าและอาการแสดงความกระสับกระส่ายหวาดกลัวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อแลเห็นไฟที่ลุกเป็นเปลวโชนอยู่ในกล่องชายันทดลองหยิบปืนติดไฟขึ้นมาดุนหนึ่งแย่ก็ไปใกล้ตัวมันทุกคนเห็นมันส่งเสียงร้อง ก, อกอ้อยก้อยออกมาเบาๆแล้วพยายามขยับตัวดิ้นรนเอี้ยวหนีมันกลัวไฟกลัวความ ร, ร้อนนะเชิดถามว่าพยายามพิจารณาดูท่าทีของมันอย่างใคลครวน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 มันจะมีตัวตนให้เราจับมัดเป็นหมูแล้วก็ดินกระเดวกระเดวหนีไฟอยู่นั่นทำไมอ่ะหัวหน้าคณะกล่าวพร้อมกับยิ้มปลอบใจตกไหลบุญคำอย่างพยายามจะเปลี่ยนความรู้สึกของแกไปอีกทางหนึง่งแต่เมื่อกี้มันเห็ดทองสาวไสออกมาหลอกเราต่อหน้า ต, ต่อตานะในใหญ่ตาพรานเท่าพูดด้วยเสียงเหมือนกระซิบมองดูเจ้าสัตว์ประหลาดอย่างไม่ไว้วางใจอยู่เช่นเดิมผนวกกับความรู้สึกร้อนอนหนาวหนาเหมือนจะจับ่าย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 ย่มจัดว่าเป็นจิตวิทยาอันดีเยี่ยมของราชสกุลหนุ่มใหญ่หวัวหน้าคณะทั้งๆที่โดยความรู้สึกภายในแท้จริงแล้วเขากำลังเผชิญไปด้วยปัญหาอันชวนขนลุกเช่นกัน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 ซึ่งคนอื่นๆก็นิ่งงันไม่อาจที่จะค้านได้ก็ถ้าเช่นนั้นสิ่งต่างๆที่แง่ไซเพอพูดออกมาในลักษณะเหมือนถูกสะกดมันก็น่าจะมีมูลอยู่บ้างเป็นแน่นั่นก็คือมันต้องการติดต่อกับเราหมอดารินพูดเหมือนรำพึงกับตนเองมันก็น่าคิดนะถ้าจะพิจารณาดูตามเหตุผลข้อนี้เชษฐาเปล่าหันไปทางพรานใหญ่รอ้อยเช้าพรุ่งนี้ดีกว่าเราคงจะได้คําตอบ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 ต่อมาก็ค่อยๆรับทอดกันต่อต่อไปจนกระทั่งเซ็งแซ่เย็นเ ย, ยือกไปทางป่ามันเอาเราเข้าอีกแล้วนายคราวนี้น่ะเป็นกองทัพเลยบุญคำร้องแหบแหบกอดไรเฟิลประจำตัวแน่นทั้งหมดเคลื่อนไหวกันอย่างฉุกละหุกเตรียมรับเต็มที่เชษฐาสั่งให้ทุกคนรวมกลุ่มเข้ามาไต่วงล้อมที่นอนหันหลังชนกันเป็นวงกลมพับพลอกมาให้เห็นก็ยิงใช้ปืนทุกกระบอกเท่าที่เรามีอยู่ เขาประกาศชัยันก็บงการให้ขนหีบกระสุนออกมาวางสำรองไว้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคนหนักชิบหายกันไปข้างหนึ่งแล้วว่าคืนเนี้ยอดีตนายทหารปืนใหญ่คำรามผ่ามกลางเสียงลูกเลื่อนไร่เฟินรอบด้านที่ขยับขึ้นลำ้ำกรอบแกรบกราวไปหมดแต่ละคนสุดที่จะระ ง, งับความตื่นเต้นเอาไว้ได้กลิ่นอของการประทะเริ่มโบยบินมาในความรู้สึกซึ่งแน่ละ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 จันคำรามออกมาเบาๆยกปืนขึ้นบ่ายศูนย์เข้าไปที่ร่างของมันแต่พรยานใหญ่ตบเฉไปซะก่อนอย่างทันการพร้อมกับร้องห้ามเฉียบขาดอย่าเพิ่งยิงไอ้ตัวนั้นจนกว่ามันจะดิ้นหลุดจากมัดจากเสียงที่แว่วมาให้ได้ยินและจากสังหรณ์ของทุกคนไม่มีปัญหาบัดนี้ปางพักของฝ่ายมนุษย์ตกอยู่ในที่ล้อมของสัตว์ประหลาดลึกลับซะแล้วอย่างแน่นหนาที่สุด พวกมันจะมีปริมาณสักเท่าใดกําหนดไม่ได้รู้อย่างเดียวว่ามันมากันเต็มป่าแทบทุกตารางนิ้วไม่มีที่ว่างไอตัวหัวหน้าที่ตกเป็นเฉลยคงให้เสียงโต้ตอบกับบริวารของมันอยู่เช่นนั้นใายจะส่งภาษาบอกความซึ่งฝ่ายมนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตทายอะไรไม่ถูกนอกจากสังหรณ์ร้ายและเลือดซึ่งเต้นเร่าฉีดแรงปรับไฟฉายส่องสำรวจไปรอบด้านนิ้วแตะรออยู่กับไกปืน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 ทั้งๆ ท, ที่เข้ามาใกล้เราที่สุดแล้วรพินตอบชํำเลืองไปทางเจ้าตัวที่ถูกมัดอยู่ริมกองไฟไอตัวนั้นมันอาจส่งภาษาบอกความอะไรกับพักพวกมันก็ได้มาเรียระเบิดความกระสับกระส่ายออกมาไราเฟิลยังคงหนีบอยู่ในซอกแขนอีกมือนึงทาหน้าที่สองไฟฉายเรานั่งหันหลังพิงยันอยู่กับชายยันหันหน้าออกคนละด้านแฟนใหญ่กระบุญคาเงียหูจับฟังอยู่ครู่หนึ่ง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 แง้ซ้ายก็หายไปด้วยนายพวกเรายังหลับกันหมดทุกคนบุญคำก็เพิ่งจะตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เองเหมือนทรณนีสุทั้งๆ ท, ท, ที่นั่งครึ่งนอนพิงอยู่กับกองสัมภาระระพินไพยวันโจนพรวดขึ้นยืนทั้งตัว